เราเราน้อมน้อมกันบ้างหรือยังนะน้อมไปเพื่อดับจักสุจริงหรือน้อมไปเพื่อดับหูน้อมไปเพื่อดับจมูกน้อมไปเพื่อดับลิ้นดับกายและดับจิตใจเนี่ยนะน้อมไปเพื่อดับชาติดับกรรมดับอุปาทานดับตันหาดับเวทนาดับผัสสะดับสลายตนะน้อมไปเพื่อดับนามรูปน้อมไปเพื่อดับวิญญาณน้อมไปเพื่อดับสังขารน้อมไปเพื่อดับ อวิชชาเนี่ยนะน้อมไปเพื่อดับรูปน้อมไปเพื่อดับเบทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโอ้อย่างเงี้ยําบุญอะไรมาเนาะนี่มาดูปหานะสามั่งนะปะหานะสามปหานะสามท่านบอกว่าเนคขมมะเป็นอุบายเครื่องสลัดออกจากกามผู้ที่สลัดออกจากกามก็ต้องเป็นบุคคลที่ได้เนคขมมะก็เป็นอันละและสละกามได้แล้ว อรูปฌานเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปบุคคลผู้ได้อรูปฌานเป็นอันละและสละรูปได้แล้วนิโรธเป็นธรรมเครื่องสลัดออกแห่งสังคตะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นบุคคลผู้ได้นิโรธเป็นอันละและสละสังขารได้แล้วคาอธิบายในหน้าสิบยอดหน้าที่สองบอกว่ากามานะเมตังนิสรณังเนคขมะเป็นเครื่องสลัดออก แห่งกามเป็นต้นนิสรณะนี้โดยสาววสลัดออกนะนิสรณะเนี่ยนะคือสรณะนี่แปลว่ายึดถือผู้ทังสระนังขะฉามีขะพเจ้าขอยึดถือพระพุทธเจ้านะจริงๆก็แปลว่ายึดถือนะี่นี่ตัวนั้นนี่ปฏิเสธสอนสอเสื่อมอีกตัวหนึ่งนี่บอกว่าเลิกยึดถือไม่เอาละแต่ไม่ไม่ใช่ไม่เอาพระพุทธเจ้านะไม่เอาและกามอย่างนี้อันชื่อว่านิสรณะเพราะเนคขมมะเป็นเหตุสลัดออกจากกามเนี่ยนะ เนคขมะเนี่ยเป็นตัวสลัดออกจากกามใช่ไหมอะรูปเป็นตัวสลัดออกจากรูปนิพพานเป็นตัวที่สลัดออกจากสังฆะเนี่ยนะเขามีสามคำนะจากกามจากรูปจากสังฆะพันตัวที่ออกจากกามคือเนคขมะตัวที่ออกจากรูปคืออรูปตัวที่ออกจากสังฆะคือนิพพาน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่านิสรณะเพราะออกไปจากกามเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะตัวเนคขมะเป็นตัวออกจากกามคําว่านิสรณะเนี่ยนะมีเอ่อมีหลายในยด้วยกันแต่ตรงนี้ยกนัยแรกคือ อ, อสุภาฌานอสุภาษฌานเนี่ยชื่อว่าเนคขมะเนี่ยนะอสุภาฌานเนี่ยชื่อว่าเนคขมะเพราะออกจากกามคําว่าเนคขมะเนี่ยมีอยู่สองในในที่หนึ่งคืออสุภาษในที่สองคือ อนาคามีมัจในไหนอนาคามีมัจนะในที่สองอธิบายในย่าแรกก่อนว่าอาสุภาฌานชื่อว่านิสรณะเพราะข่มกามไม่ได้ส่วนอนาคามีมัจเนี่ยนะชื่อว่าอุ ป, ปาทิตตานาคามีมัจเพราะอนาคามิมัจยังฌานให้เกิดทำฌานนั้นให้เป็นบาศชื่อว่าอัจจันตานิสรณะเป็นอุบายสลับออกโดยส่วนเดียวเพราะขาดจากกามโดยประการทั้งปวง ที่บอกว่าอสุภาชามเนี่ยนะเป็นเป็นอุปกรณ์เครื่องสลัดออกจากจากกรมอสุภาชามเนี่ยหมายถึงว่าการได้ฌานเนี่ยสลัดออกจากวัตถุกรรมภูมิที่เป็นไตกกามมคุณคืออะไรกามภูมิสิบเอ็ดใช่ั้มอบายสี่มนุษย์หนึ่งเทวดาอีกหกเรียกว่าอะไรนะกามภูมิสิบเอ็ด ไอเนคขมมะตัวนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะอสุภฌ า, านถ้าได้ฌานเนี่ยเกิดในพรหมโลกก็คือพ้นจากวังวนแห่งตามโดยชั่วคราวกี่กัปดิกี่กักกปปฐมฌานนี่เขาแบ่งเป็นสามระดับนะถ้าระดับมหาปฐมฌานอย่างอุกฤษพวกนี้ออกจากออขอพายผู้ที่ได้ปฐมฌานอย่างอุกฤษนะั้นมีอายุหนึ่งมหากับนะมีอายุหนึ่งมหากับ แต่ว่าไม่ใช่ออกอยากได้อย่างเด็ดขาดจริงๆผู้ที่ออกจากกามได้อย่างเด็ดขาดจริงๆคือพระอนาคามีพรานเนธธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของอนาคามีมกักอนาคามีมัจนี้ออกจากกามได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะออกแบบชื่นี้กว่าสงบระงับดับกามโดยไม่มีเหลือเลยนะเพราะว่าพ้นจากวัตถุกกามและพ้นจากกิเลสกามเนี่ยนะเพราะ วัตถุกรามคือวัตถุเป็นที่ที่ยินดีเป็นที่เพลิดเพลินแห่งกิเลสกรมเนี่ยน ะ, ะท่า น, ท, านท่านตัดฉันทาค่าในวัตถุกรามได้อย่างเด็ดขาดทวนอีกครั้งหนึ่งคำว่าเนคามามีกี่นายนะสองนายเนยคขมามเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกรามในที่หนึ่งคืออสุภาชฌานในยะที่สองคืออนาคามิมัรและโดยวิขมพนาประหารคือ อสุภฌ า, านละโดยสมุทเฉทประหารคืออนาคามีมักเนี่ยนะอนาคามีมักนี่ตัวอรูปฌานอีกต่อไปว่าอารูปเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอรูปเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปคำว่ารูปก่อนนะขยายศัพท์ก่อนคำว่ารูปพระอธิษาว่ารูปนี่เพราะอะไรนะรูปปนะใช่รูปปน ะ, ะแปลว่าสลายสลายไป อารูปก็คือไม่ใช่รูปอ่ะอารูปนี้ไม่ใช่รูปเฉยๆใช่ไหมบอกไม่ศัตรูของรูปอารูปนี่แปลว่าศัตรูของรูปดุดอะไรดุดอัมิตรนี่เป็นปฏิปกักษ์ตอมิตรไม่ใช่ว่าไม่ใช่มิตรแล้วเรียกอัมิตรนะไม่ใช่ใช่ไหมอัมมิตรก็คือตรงกันข้ามกับมิตรเหมือนอะไรเหมือนอะโลพาเป็นต้นเป็นปฏิปกักษ์ตอโลพะอะโทสะเป็นปฏิปักษ์ตอ โทสะอะโมหะนี่เป็นศัตรูของโมหะเพราะฉะนั้นอะตัวนั้นนี่แปลว่าศัตรูเช่นอรูปปชาณนี้แปลว่าเป็นปฏิปักษ์คือเป็นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับกับรูปเลยนี่ในที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอรูปอรูปนี้ในชาณนี้ไม่มีรูปด้วยอํานาจแห่งผลอรูปนั้นแหลชื่อว่าอรูปปังอรูปปชาณเพราะฉะนั้นอรูปะคืออรูปปชาณ์อรูปปชาณเหล่านั้นเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่ง รูปเพราะถ้าปฏิบัติจนถึงอากาสาณจายตนะอันนะอากาสาณจายตนะขึ้นไปแล้วจะไม่เป็นภูมิที่ไม่มีรูปปัจขันธ์เลยนนะสูตรเขามีอะไรนะละรูปประสัญญานานัตตะสัญญาปฏิฆะสัญญาไม่ใส่ใจในนานัตตะสัญญาพิจารณาอากาศว่าไม่มีที่สุดอากาโซอานันโตนเนยนะ ก็ผู้ผู้ที่จะบรรลุอรูปฌานได้จริงๆเนี่ยต้องละรูปนะรูปฌ า, านะละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตาสัญญาเป็นต้นในอาการละได้อย่างนั้นเนี่ยแหละเป็นอรูปฌานแต่ละโดยวิคขำพนะปะหารวิคขำพนะปะหารแต่ผู้ที่สลัดจากรูปได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับมาหารูปอีกเลยคืออรหัตตมรักชื่อว่าอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปโดยประการทั้งปวง นะเพราะห้ามการเกิดใหม่ด้วยรูปอารหาัาตามรักเนี่ยนะไม่อะไรนะเด็ดขาดจากรูปจริงๆไม่เหลือรูปแม้แต่หลังจากที่อารหาัาตามรักเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นดับรูปได้อย่างเด็ดขาดแต่ถ้าอารูปประชามยังไงก็ต้องเวียนกลับมาหารูปอีกนะต้องเวียนกลับมาหารูปอีกรูปเนี่ยมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละได้ง่ายๆนะพระ อ, อนาคามียังละรูปไม่ได้จริงๆเลยเอ่ะเห็นไหมยังยังวนๆอยู่ในรู ป, อ ย, รปอยู่ดี มันเกี่ยวกับเรื่องรูปไม่ใช่ละได้ง่ายๆพมันถ้าเราติดในอาหารเป็นต้นนี่ถือว่าเรื่องปกตินะติดในอาหารติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธาภัสเติดในวัตถุในทวารในอารมณ์นี่ถือเป็นเรื่องปกติดีทําไมขนาดพระนาคามียังต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์ที่เป็นรูปเนี่ยนะมันออกจากรูปได้อย่างเด็ดขาดนี่ต้องระดับอรหัตตามมรรคเนี่ยนะออกจากรูปได้อย่างแท้จริงและต่อเมื่อปรินิพพานเนี่ยด้วยนะ หลังจากที่จุติจิตของพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจึงจึงไม่มีรูปโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าเป็นอพวกอรูปประรมทั้งหลายก็ต้องเวียนกลับมาหารูปอีกอยู่ดีอย่างอุทกาดาบทรามบทเนี่ยนะอยู่ในอรูปประพบแปดหมื่นสี่พันกับก็ครบแปดหมืนสี่พันกลับก็กลับมาหารูปอีกอยู่ดีบอกฟังแล้วนานไหมแปดหมื่นสี่พันกลับไม่นาน เพราะพบนั้นเนี่ยพบที่สบายมากเลยนะสงบละเอียดประณีตถึงเ้าเรียกว่าอะไรนะเป็นระดับแค่พูดอุปมาบอกว่าเหมือนกับนิพานของวัตตะเพราะสงบสงบเนี่ยนะแต่ก็ยังต้องเวียนกลับมาหารูปอีกอยู่ดีเ น, นะคล้ายๆกับว่าหลบไปพักผ่อนชั่วคราวแล้วกลับมาเดือดร้อนต่อนิงอะไรนะนหนีงานชั่วคราวใช่ไหม พักผ่อนช่วคราวนะแล้วก็กลับมาร้อนต่ออีกแล้วส่วนส่วนอะไรนิโรดนิโรดเนี่ยนะนิโรดเป็นธรรมะที่สลัดออกจากสังคตธรรมนิโรดตัวนี้ก็คืออะไรคือพระนิพพานใช่ไหมพระนิพพานเนี่ยเป็นตัวที่สลัดออกจากสังคตธรรมลักษณะของสังคตธรรมคือภูตังเป็นสิ่งที่เกิดแล้วสังคตังเป็นสิ่งที่ถูก ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยสร้างขึ้นปฏิจจะส ม, มุปปันังธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นได้แก่ปัจจัย น, นั้นเกิดขึ้นโดยชอบและร่วมกันคำว่าภูตังเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอันท่านแสดงถึงความไม่เที่ยงด้วยการเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อมีความไม่เที่ยงครั้งที่สองท่านก็แสดงถึงความเป็นไปในเบื้องหน้าด้วยการแสดงอนุภาพของปัจจัย เมื่อมีความเป็นไปในเบื้องหน้าครั้งที่สามท่านก็แสดงถึงความเป็นธรรมดาอย่างนี้ด้วยการแสดงถึงความเป็นผู้ขวนขวายปัจจัยคือหมายความว่าสังขารธรรมทุกชนิดมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยจะไม่สร้างขึ้นอย่างเช่นตาของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกปัจจัยนะสร้างขึ้นหูจมูกเล้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยสร้างขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ปัจจัยสร้างขึ้นให้รู้เท่าว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่มีความมั่นคง เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะอะไรคือเมื่อมันขึ้นตรงกับปัจจัยเนี่ยนะมันจะมีปัจจัยที่ไหนมันมั่นคงให้ถึงขนาดว่าต้องแน่นอนตลอดไปมีมไห ม, มเมื่อมันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะเมื่อปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งแปรไปปัจจยุบันคือผลนั้ น, น, นพร้อมที่จะสลายไปพร้อมที่จะเสียหายไปเนี่ยนะนิโรธคือนิพพานเนี่ยนะ ขัานกล่าวว่านิโรธเพราะอัตถาว่าอาศัยนิพพานดับทุกนิโรธนั้นชื่อว่าเป็นธรรมะสลัดออกจากสังคตะเพราะสลัดออกจากสังคตะทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัตกถาท่านจึงกล่าวไว้ว่าในบทนี้ว่านิโรโทรตัสะนิสรณังนิโรธเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังคตะนั้นนิโรธนี่มีหลายในนะแต่ตรงนี้ประสงค์เอาอารหัตผล จริงน ะ, ะพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางทีเนี่ยว่าโดยสับเนี่ยเราถ้าเราไม่รู้อัตตะจริงๆนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะถ้าเราไม่ฟังอัตตกถาไม่ดูอัตตกถาก็ยากที่จะเข้าใจายอย่างเช่นตรงเนี้ยนิโรธปกติเราจะนึกถึงคําว่านิพานแต่อีกในหนึ่งท่านบอกว่าคืออรหั ต, ตผลทําไมล่ะจริงอยู่ตัวนั้นแปลว่าย้ําหรือเน้นให้เห็นความเป็นจริงว่าเมื่อเห็นนิพานด้วยอรหั ต, ตผล อ, อรหั ต, ตผลนี่เป็นจิตเจตสิกใช่ไหม อรหัตผลเนี่ยเป็นจิตเจตสิกนะอารมณ์ของจิตเจตสิกอันนั้นคือนิพพานเห็นไะสังขารทั้งปวงย่อมไม่มีอีกไม่มีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิโรธเพราะเป็นปัจจัยแห่งนิโรธอันได้แก่อรหัตผลตัวนิพพานเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของอรหัตผลอย่างพระพุทธเจ้านะถ้าใช้คําว่าพระพุทธเจ้าหลีเกเล่นที่ใดถ้าอ่านพระไตรปดฎกนะได้ยินคําว่า พระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเล้นหรือภาษารีบทุทพระโมคคาราณออกจากาศที่หลีกเล้นหรืออีกชื่อหนึ่งว่าสวยวิมุตติสุขให้รู้เท่าว่านั่นเข้าอารหัตผลสมาบัตินั่นคือการหลีกไปเข้าอารหัตผลสมาบัติโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่นะมีความสงบจากองคทุกข์จริงๆเป็นอารมณ์เขาบอก hey, โลกนี้เนี่ยนะโลกนี้เราก็ว่ามันดีดี เอาไว้นอนไม่หลับเลยรับต้องรับรู้โลกนี้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเนี่ยนะเอาไหมนอนไม่หลับสัก5าวันเป็นไงต้องรับรู้เนี่ยต้องเห็นต้องได้ยินต้องนั่งฟังต้องอยู่อย่างเงี้ยตลอดสามเดือนเลยอ่าสักแย่ละกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นเอ๊ะการาไม่รู้บ้างก็ดีเหมือนกันนะถ้าดับได้จะดีขนาดไหนถ้าคิดไปธรรมดานะถ้าไม่รู้ไม่รับรู้ไม่เห็นเลยจะดีขนาดไหนแต่ว่า ไม่เห็นโดยเด็ดขาดจริงๆดับได้เด็ดขาดจริงๆก็เมื่อแทงตลอดอรหัสผลแต่ก็มีบางคนนะก็บอกว่าเขาขอเลิกเกิดแล้วอย่างที่ว่าเลิกเกิดฉันไม่เกิดแล้วฉันไม่เอ้าเบื่อเต็มทีแล้วไม่ต้องการไม่เกิดไม่อะไรทั้งนั้นแหละก็คือได้แต่พูดนะนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับว่านะพรุ่งนี้นะไม่มีสําหรับเราอีกต่อไป ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะไม่มีไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องฟังแล้วไม่ตายด้วยนะเขา อ, อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วพูดขำไปงั้นนะคืออยังการ์ตูนคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่ไทยก็บอกว่าชาติหน้าเป็นต้นไม่เกิดอีกแล้วดับได้หมดแล้วเนี่ยก็คือเป็นคําพูดที่เพอ้อไปอย่าไปคิดอะไรมากะเขายังไม่ตื่นอ่ะนะ